เรื่องเรือหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความกำนัดจึงโครงเรือที่หญิงนั่งท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเศตหรือหนาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัตสังฆาทิเศแต่ต้องอบัตทุกกฎวงเล็บเรื่องที่สิบห้า